เกี่ยวกับการสวดมนต์ใจท่องแต่ไม่ได้ออกปากมีอ น, นิสงส์กว่าปากท่องไม่ได้ออกจากใจใจต้องอยู่กับบทสวดไม่ใช่ปากท่องขึ้นใจแต่ใจไปคิดเรื่องต่างๆตั้งสติพิจารณาอักษรหรือคําหรือความหมายหรือตั้งสติรู้ที่ลมหายใจหรือปากที่กําลังสวดสวดมนต์ควรจะรู้คําแปลเพื่อจะได้ปัญญา แม้ยังแปลไม่ออกใจควรเลื่อมใสศรัท ธ, ธานำน้อมจิตใจสวดบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดรู้คำแปลได้ปัญญาสวดไม่รู้คำแปลได้ศรัท ธ, ธาอ น, นิสงส์งจากการสวดมีจริงที่มาเว็บไซต์8 4 0 0 0 org